แต่ถึงยังไงลูกหลานก่อนที่หลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพเมื่อวันที่สามสิบศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลั่งไหลเข้ามาทาบุญไม่แพ้วันนี้นะไม่แพ้วันที่สองแต่บางคนลูกหลานบางคนแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดเพราะเห็นหลวงตาท่านพูดแล้วเออใช่หลวงตาท่านอายุมาก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 ผู้เย่งกับภาษาทางอีส า, เ า, าเนเขาก็ว่าปั่นเข่าก้มกับเป็นของผู้ท่ายปั่นเขารร่าจีก็เป็นของผู้ยิงฮะมันก็มีทอนั่นแหละทำไมอวดกันทํำไมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณาสัตย์ไทยญาติโยมลูกหลานนะอหลวงพ่อไม่อยากจะพูดในเรื่องที่มันไม่สบายใจแ ต, แต่ถึงยังไงถ้าไม่พูดเนีย พวกลูกหลานบางคนก็ไม่รู้การเทศะการถสารที่บุคคลเพราะฉะนั้นเลงพูดยับให้ฟังอมันไม่ถูกนะลูกหลานนะการที่จะเข้าสู่วัดว า, าศาสนาควรจะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยอพอสมควรเ อ, อไม่ใช่ใส่ชุดขาวถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ให้สุภาพนะเอเพราะว่าการเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาเนี่ยเป็น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 พวกเราก็เหมือนกัน่ะควรจะให้เรียบร้อยนะลูกหลานคณะสถาญาติโยมนะเอนานๆพวกเรามาอยู่มาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยคงจะได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อเตือนนะเอะเพราะว่าหลวงพ่อเห็นแล้วอืมเอไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีขึ้นเพราะว่าวัดของเราเนี่ยก็อยู่ในปงง่าดงพงไพ่ถึงขนาดนี้ถ้าวัดหลวงพ่อไม่กล่าวไม่เตือนเนี่ยมันอาจจะมี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 สมัยหนุ่มก็ใช้ไอ้หลือชูแชกพอเท่าแก่มาแล้วกันนะเพึ่งพาอาศัยลูกหลานพอลูกหลานเขาว่าให้นั่นละโมโหโก้ทาให้กับกับเขาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเนี่ยคนที่ไม่เก็บหอมรอมริบไม่รู้จักเก็บสมบัติไว้เพ่เมื่อเท่าแก่ชราก็เหมือนกับนกกรเรียนแก่เนี่ยนกยางเขาบอกพวกเราไม่เคยเห็นนกเกเรียนคืออะไรเนี่ย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 ทำงานในป่าถ้างบริษัทรหรือว่าเท่าแก่เขาเนี่ยให้ไปทำไปสร้างบ้านเขาไปโสกเออผมจะไม่ได้มานะเจดวันเนี่ยนี่ผมเอาอาหารมาให้ให้เพียงพอให้ให้อยู่ให้กินเลยนะนี่อาหารนคนอิสานเนี่ยจะวางแผนเก็บอาหารไว้กินไม่เปลี่ยนนะเวันพอมาเท่าไรกินหมด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 เข้าสู่จิตใจด้วยมีทานมีศีลมีภาวนาประกอบคุณงามความดีนะสั่งสมบุญกุศล น, นี่ยแหละอาหารใจนะอาหารทางโลกก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะปัจจัยข้าวน้ําโภชนาอาหารถึงจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนกเเ็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่นะเออมึนจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติสร้างบ้านรู้ๆห ล, ลาๆร้อยล้านพันล้านให้อยู่ก็เถอะ